s h a r a a m gaccha, dhammam sharadam g a t c h a d h a m m sharadam gaccha, Shara, Shara, sangham s h a r a a m g a c h a ถ้าใครยังไม่สามารถทำกระแสโชนาวตัวเองกระแสจิตตัวเองให้แนบสนิทในคุณของพระรัตนาตรัยได้คนคนนั้นยังไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยเรามันนึกว่าวันนี้วันนี้สิ่งที่เราคิดถึงบ่อยที่สุดคือใครถ้าใจเรายังคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยพระธรรมพระริยสงน้อยพระรัตนาตรัยน้อยมาก วันวันหนึ่งเราคิดแต่เรื่องอื่นพูดแต่เรื่องอื่นทำแต่เรื่องอื่นจนเป็นความเคยชินแล้วเวลาอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตายคนคนนั้นอันตรายเมื่อเที่ยเห็นว่าทาไมทําไมพระพุทธเจ้าจึงไปโปรดชดินสามีน้องพร้อมเดชบริวารทําไมพระพุทธเจ้าจึงไปโปรดโนทัญญาก่อนเป็นคนแรก หรือทํำไมพระพุทธเจ้าไปโปรดทั้งๆบางคนเป็นมิจฉาทิถีพระองค์ก็ไปเพราะอะไรรู้ไหมแล้วทาไมถึงไปทั้งๆ ท, ที่เป็นมิจฉาทิ ถ, ถีเนี่ยนะก็ไปไปโปรดแล้วก็ได้ผลเลยเนี่ยถึงแม้คนที่ฝังมรณาสัญญาการใกล้ตายเนี่ยมี้พุทธคุณเป็นอารมณ์ธรรมคุณเป็นอารมณ์ลมหรือสังขคุณเป็นอารมณ์เนี่ยเน้ ถ้าเป็นอารมณ์ใกล้ตายปุ๊บเนี่ยปฏิสนธิในภพถัดไปจะมีอะไรเป็นอารมณ์มีพระตะนตาตยเป็นอารมณ์และพะวังของเขาที่เป็นจิตสันดานของเขาที่สืบต่อ น, นี้ระหว่างภพของเขานั่ยแหละจากมีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละเป็นอัคยาศัยเป็นอารามณะปัจจัยเมื่อเขาแนบสนิทถึงแม้เขาจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดพลาดแต่อัคยาัยลึกๆของเขาเขามีคุณของพระบรมศาสดาฝังแน่นแล้ว ฉะนั้นเขาจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมผิดพลาดขนาดไหนแต่เขาจะมีเชื้อของคุณของพระรัตนตรายฝังอย่างแนบแน่นพระเจ้ามีอะไรมีอาสยานุสย า, ยานพยานที่สามารถที่ไปยังเห็นกระแสจิตเชิงลึกคือพวังละจิตที่มีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยอ๋อท่านพูนี้มีศรัทธาในพระรัตนตรยฉะนั้นพระองค์ก็จะไปเคลียร์ปัญหาข้างนอกที่กับสิ่งแวดล้อมให้กับเราได้ เพราะเป็นการที่เราเพิ่งรับใหม่แต่อัธยาศัยเดิมนั้นนะ่ะเราสั่งสมมามีพระธรรมตรายอย่างแนบสนิทแยกจากกันไม่ได้เลยจากกระแสจิตเราเข้าใจไหมฉนั้นเวลามาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีมาเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีอัธยาศัยเดิมก็โลดแล่นออกมาตัดใจใหม่ที่ตนเองเพิ่งมาเสพคุน้นมันไม่มีกําลังพอการตัดสู้ดีของบุคคลเหล่านี้จึงรวดเร็วมาก แล้วเราทำไมไม่เป็นทั้งๆที่เราเห็นคำว่าพระุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งนานฟังธรรมมาก็ตั้งเยอะแต่ทำไมจิตสันดานของเรามันถอนยากมากเพราะพื้นฐานเดิมเราเนี่ยไม่มีพระธร ร, นรมน ะ, ะใจ เ, เป็นอารมณ์นะอันนี้ต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขในปัจจุบันภพไปในภพถัดไปเนี่ย เราจะยิ่งเสียหายใหญ่เลยใช่ไหม